อรหันตุสมมาส ม, ธธามุปตะจานาโมทัตา ต, ตาภะวะโ ต, ร ต, โตรธธอรหันตุสมมาสมุปตะจานาโมทัตตาภะวะโตอรหันตุสมมาสมุปสะกาก็งอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพรหันตะสมมาสมุปเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขับสมาธิทุกๆคนการนั่งสมาธิการนั่งกรรมฐ า, านนี้ให้เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตา ตานี้ไม่ต้องเลืนหลับเชียเพราะว่าไม่ต้องการให้จิตใจดูโลกภายนอกเมื่อหลับตาภายนอกตาในตาใจทัานเรียกว่าตาภาวนาเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้กู้เห็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสภายใน มาเน้นน้อมเอาคนพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แก่พุโทโธภายในจิตถ้าทำคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าที่เราเรียกว่าพุทธศาสนานีที่จะรู้ได้เข้าใจนั้น <c oughs> ต้องเป็นธรรมปฏิบัติ ในสมัยครั้งพุท ธ, ธากาลมีพระพิสุองค์หนึ่งตั้งต่มาบวชมาเรียนแล้วก็จดจำธรรมะคำสอนของสรพพุท ธ, ธิจารจํจำได้หมดแปดหมื่นสี่พันพร ร, รมคัน และเคยท่องจำมาอย่างนี้หลายสรพพุตธธิเจ้ามาแล้วก็ไม่ได้สำเร็จมากผลเพราะไม่ตั้งใจปฏิบัติเพียงแต่ว่าจดจำธรรมคำสั่งสอนของสรพพุตธธิเก้าจึงไม่เข้าใจในธรรมปฏิบัติ คำว่าธรรมะปฏิบัติเมื่อท่านจะโลนั้นไปหาสามมันเลนน้อยแต่เป็นพระอรหันต์ท่านแสดงมีนิมายว่ามีหัวปลวกอยู่หัวหนึ่งแต่มีเฮียมีตะโกดเข้าออกอยู่ในหัวปลวกนั้น เมโลเข้าออกโยหกโลแล้วให้ติดห้าโลติดให้แน่นยาให้มันออกมาได้แล้วก็เปิดทางใจขุดเข้าไปเจอา ก, ก็จะได้เฮี้ยได้กระปวดนั้นเมื่อท่านทำตาม ไม่เพียงแต่จดจำทำตามจริงๆผลที่สุดจิตใจของท่านก็ได้สำเร็จมักผลคือว่าได้ด้วยการทำการปฏิบัติแม่เราทุกคนทุกโลกทุกนามไม่ว่าหญิงชายเด็กนมแก่ขฤรืหักบันสะชิต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 ออกมาทางลื่นหลงในรถทหารออกมาทางสายหลงไหลในโขดถลพเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อจิตนี้ยังแสสายลุ่มหลงไปตามอายตนะทั้งหลายไม่ติดหลไม่สังวรระวังในอินทรีทั้งหก ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจในธรรมปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ตามถ้าปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกาใจลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกีเลสไม่สังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหลายไม่ปิดไม่กัน้นท่านให้ปิดกั้นหมด ให้ขดลงไปที่ใจคือภาวนาบทใดบทหนึ่งหรือภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่แหละเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงมีตาก็ทำเป็นคนตาบอดมีหูก็ทำเป็นคนหูหนวกมีจมูกก็ทำเป็นคนจมกูกไม่รู้สึกกิน มีเล่นก็ไม่ติดในรสอาหารมีกายก็ไม่หลงไหลในสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องเมื่อเป็นผู้ตั้งใจมีสติคอยระวังจิตใจอยู่ภายในขุดค้นเข้าไปที่จิตที่ใจที่ภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจนี่เองเมื่อผู้ปฏิบัติขั้งหลาย พุทธภาษาวกในสมัยก่อนโน้นท่านตั้งใจขุดค้นเข้าไปภายในเรียกว่าธรรมธรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมะคือเอากายวาจาจิตเอาตัวของเราปฏิบัติลงไปทีเดียวจะไปจำแต่ว่าธรรมธรรมโมอย่างน้ำยังนี่พระตูพระวินยัยพระปรมาธ มากมายเท่าไรเท่าไรก็ตามเมื่อจิตไม่สงบตั้งมัน่นจิตไม่หยุดไม่โยจิตไม่สลดสังเวจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวชื่อว่าอยู่ในขั้นปริยัติธรรมคำสอนคำบอกหรือสมมติยมในโลกอันนี้เองคำว่าปฏิบัติตัวตั้งตัวตั้งใจขึ้นมา เมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมขอให้ธรรมใจของเราด้วยจำเอาดวงใจของเรามันโยที่ไหนใจมีโยในตัวนี่แหละแต่ใจจิตใจคนเรานี่เป็นธาตุนามธรรมคือว่าไม่มีรูปร่างสีสันฐานหมายถึงจิตใจจริงๆ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 คอยตรากละเลยขาด <c oughs> สติสัมไปสัญญษขาดสมาธิความตั้งมั่นขาดปัญญาความสอดส่องในธรรมเมื่อขาดสิ่งเหล่านี้แล้เจ็ตก็ละหลวมทอดแพ้อ่อนแอไม่ตั้งใจให้สิ่งที่ ชื่อว่าการปฏิบัตินั้นย่อหย่อนพ่อถอยมักง่ายไม่เอาจริงลอยัะละเลยคือไม่ตั้งใจทำจริงๆไม่คุดค้นลงไปจริงๆจะไปหาที่ไหนในโลกนี้ก็ไม่เห็นเย่ยเพราะว่าจิตใจมันอยู่ภายในจิตใจนี้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 ได้แก่จิตหลงไหลในลูกจีรทางหูจิตหลงไหลในเสียงหลงไหลในกลิ่นหลงไหลในรสอาหารการกินหลงไหลในพอภะหลงไหลในธรรมอารมณ์เมื่อหลงไหลออกไปเท่าไรเท่าไหรก็ยิ่งห่างไกลออกไป ไม่อยู่ในกายในจิตแล้วว่าห่างไกลพุทธธรรมคำสอนต่อพุทธเจ้าพุทธธรรมคาสอนของต่อพุทธเจ้านั้นคำว่าพระไตรกิฎกกายคือตัวเรานี่แหละเป็นตู้พระไตรเป็นตู้พระธรรมวาจา คือสิ่งที่พูดที่เก่งออกมาเป็นพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธเจ้าอยู่ที่นี่พระโตพระวินัยพระประมาก่อดวงจิตดวงใจนี่แหละตัวเราทุกคนก็ให้เข้าใจเถิด ว, ว่านี่คือตู้พระธรรมตู้พระไกลสีดกตู้พระไกรหอพระไกลหอพระธรรม เมื่อได้กลายวาจาจิตมาแล้วชื่อว่าเราได้พระธรรมแต่เป็นพระธรรมที่ยังไม่ได้เปิดอ่านยังไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไม่ได้เจริญธรรมกรรมฐานมีโยก็เหมือนจะไม่มี พรยังเอามาใช้การอะไรไม่ได้เหมือนกับว่านั่งเฝ้าตู้พระธรรมอยู่แต่ไม่รู้พระธรรมนั่งเฝ้าตู้พระไกรอยู่แต่ไม่รู้พระไตรจีดกอาศัยอยู่ในตู้พระธรรมวินัยสัพทุสาศาสนาคําสอนของสัพพุสิก้าแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจ กิเลสมันก็พาไปกิเลสมันพานั่งกิเลสมันพานอนกิเลสมันพานกินกิเลสมันพานวุ่นวายตั้งแต่เกิดมาจนตายทุกภบทุกทาติเอไม่สังวรระวังไม่ตั้งใจปฏิบัติไม่ปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวเองกายวาจาจิตก่อยให้ กายวาจาจิตนี้หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโสทพะธรรมอารมณ์เมื่ออะไรกระทบมาก็ไม่มีปัญญาผินิพิการณาเป็นต้นว่าตาเห็นรูปรูปนั้นมันจะเป็นรูปเรารูปเขารูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของ โลกต้นหายภูเขาท้องฟ้าอากาศโลกอะไรก็ตาเมื่อมันมาปรากฏในสายตาเนั่ยแหละต้องกำหนดที่จะละหนาอย่าให้มันลหลงไหลไปอย่างเดียวโลกทั้งหลายแหละส่วนมากจิตใจหลงนี้มันก็ชอบแต่ส่วนที่ลูกดี ลูกดีที่จิตมันเห็นว่าดีนะมันก็ต้องการลูกที่ดีลูกที่สวยสดงดงามตามสมมติภาษานั้นแล้วมันหาลูกไม่ว่าในลูกที่ว่าดีนั้นมันจะมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในนั้นอย่างว่ารูปร่างกายของเราทุกคน ที่มันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล่ะพระพุทธเจา้าทรงตรัสเป็นก้อนอสุภะสมถานหรือท่านว่าตัวคนเราทุกคนนี่หลเป็นก้อนอสุภยังมีชีวิตยังไม่ตายก็ให้ชื่อว่า เป็นผีดิบไม่ใช่ผีตายไม่ใช่ผีสุขผีดิบผีดิบนี้เมื่อมันยังไม่ตายมีเรื่องราวมากมายหลายอย่างหลายประการแม้คำแนะนำสั่งสอนจะสอนว่าให้ภาวนาพุทโธตั้งใจบริกรรมภาวนาหรืออุบายใดก็ต า, าม จ็ดใจที่มันอยู่ในล่างผีดิตอันนี้มันไม่ได้เชื่อมันมีแต่จะหลงไปคำว่าหลงคือไม่สงบไม่ตั้งมันไม่เห็นก้อนอสุภธรรมฐานไม่เห็นซากศพซากศพซากผีดิต เมื่อจิตไม่ไม่เพ่งดูกายดูตัวของเราให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาก็มาลูกคำสาคัญสิคิดว่าตัวเรานี่ไม่ไม่เป็นอะไรมีแต่ความสกความสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีมีแต่ความสะอาด แต่เราหาลู่ไม่ว่าทำไมจึงอาบน้ำทำร่างกายเมื่อนุ่งผ้าพอนท่อนสบายปกปิร่างกายแล้วเครื่องนุ่งห่มนั้นจะแสดงเิ่งปฏิกูลให้ปรากฏการนั่นมาจากไหนไม่ใช่มันมีอยู่ในตัวในก้อนกรรมฐานนี่เลย นี่แหละต้องดูกำหนดพิจารณาให้ดีถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปลาัยทำดีทำชั่วดายอยู่ก็พอทำเนาต่างหากว่าเกิดแตกดับเกิดตายขึ้นมาอะไรเราจะเกิดขึ้นทีนี่ ยังไม่ตายมันก็เปลียมตายยังไม่เน่าไม่เปืยมันก็เปลียมเน่า เ, เปียนเปื่อยอยู่แล้วในร่างกายสังขาร น, นี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนไ ว, ว้ว่าโรคประคันนี้ก็เคือว่าก้อนอสุภะคาว่าอสุพะก็คือว่าสิงไม่สวยไม่งาม เต็มโยในร่างกายสังขารอันนี้ที่มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอดเจตใครจะมาหลงว่าเราสะอาดสะอ้างอย่างไรก็ตามต้องกลองดูพิจารณาให้เข้าใจว่าเราได้ทายปัสสาวะทุกวันไหมก็ย่อมตอบได้ว่าปัสสาวะทุวัน ปัสาวะที่เราทายออกมามันหอมหรือมันเหม็นคิดดูให้เห็นด้วยตนเองหรือเราทายมูดคูดอยู่ทุกวันมันหอมหรือเหม็นให้ดูเข้าไปข้างในที่พระพุทธองค์ท่านศาัสว่าอาสุภะกรรมฐานถ่ากำหนดให้เห็น เป็นของไม่งามเต็มไปด้วยผู้โพโลตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อกําหนดได้ใจก็สงบใจก็ตลดสงังเวกในโลกะขันอันนี้ถ้ากําหนดไม่ได้ใจมันก็เพลิดเพลิน ไม่เห็นความแก่ความชราไม่เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เห็นทำกรรมฐานเมื่อไม่เห็นก็คือว่าจิตมันบอดจิตมันมืดจิตไม่ภาวนาเมื่อจิตไม่โลดจิตไม่แจง้งจิตไม่เห็นจิตมืดจิตมืดจิตบอดเหมือนคนตาบอด ธรรมดาคนตามบอดหรือสัตว์ตามบอดก็าตามอะไรที่ตามมันบอดแล้วไปไหนมาไหนย่อมมีภัยอันตรายมากถ้าเดินไม่เระวัดระวังตกหลุมตกบอดตกเหวตกน้ำบอดเอาถึงตายได้นั่นก็ว่าจิตมันเมื่อ จิตไม่ภาวานาจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวที่ท่านตัดเตือนให้เราทุกลมภาวานาทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตมันแจ้งมันใสโลจากผิดโกชั่วดีดีชั่วละชั่วบำเพ็ญบุญจิตใจนั่นจึงจะสว่างแจ้งขึ้นมา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 อันนี้ได้แก่เราทุกคนทุกดวงัจแม้จะมืดมาแล้วตั้งแต่อนเอกนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันนี้ก็ให้เชื่อต่อพระธรรมวินัยพัะถุกศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าทางใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ไม่เป็นคนดื้อด้านยากขาดทำตามอำนาจกีเลสความโกรธโลบหลงของตนแล้ววันเลิกละกิเลสต่างๆออกไปในกายวาจาจิตของเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นตู้พระธรรมตู้พระกายกิจดุเราจะต้องดูนั่งก็ดูกายวาจาจิต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 โลระขันตายอยู่ที่ไหนใจก็ให้อยู่ที่นั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆอยู่ด้วยการภาวนาอยู่ด้วยการสิ่มิธิจารณะว่ารูปรมนามธรรมตัวตอนอันนี้มันมีอายุยืนยาวข่าวไกลขนาดไหนเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนชั่วผ้าดินสลายหรือ ให้มองเห็นว่ามันรอความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตือนว่าให้ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยาได้ประมาทคนอื่นประมาทมัวเมาเป็นเรื่องของเขาเจตใจเราผู้ภาวนาผู้ตั้งใจไม่ประมาทแล้วต้องทำ ไม่ใช่เตียงแต่ว่าจำจดจำได้ก็ว่าได้เท่านั้นยังไม่สมบูรณ์เลยเคยต้องลงมือทําคําว่าลงมือทําือว่าเอาตัวทําเอากายวาจาจิตทำนั่งสมาธิภาวนาก็เอากายวาจาจิตนั่งใจภาวนาร่างกายก็นั่ง โยนในท่าสงบโยในท่าความตั้งใจตั้งในใจตั้งในกายตั้งทุกอย่างไม่ยอมให้มันล่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อนนานาจกิเลสไม่ว่าจะเป็นกิเลสความโกรธก็ไม่ยอมให้มันเข้ามาเยียดย่ำได้กิเลสความลภกิเ ล, เ ล, ลสราคะกามหา เขาไม่ยอมให้มันเข้ามาย่ำเย่หัวใจได้ใจรลาลึกภาวนาอยู่มองเห็นทุกเห็นโทษเห็นภายในโลกในวัฏฏสงสารอยู่การที่คนเราเกิดมามีตัวตนโลกนามกายใจอยู่อย่างทุกวันนี้ธรรมดาโลกประคัน มีภัยอันตรายรอบดานมีภัยอันตรายได้ทุกเวลาภัยอันตรายเกิดขึ้นภายในโลกผะขันนี้ก็มีภัยอันตรายมันเกิดมาจากภายนอกก็มีไม่ควรนิ่งนอนใจองมองเห็นสลาความแก่ มองให้เห็นพยาความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดกาลเนคเตือนใจให้ได้ว่าความตายนะั้นมันใกล้เข้ามาคืบทานเข้ามาเกิดขึ้นมีขึ้นได้ทุกเวลาความตายของกระพุตเจ้าท่านเตือนไว้ว่า ท่านว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเข้าไปตายได้ทุกลมหายใจออกหนักเพรมันตายได้ทุกเวลาเรากั้นไม่ได้แก้ไม่ได้จิตใจมันก็แก้ทางนั้นแหละบริโภคอาหารก็บริโภคเพื่อกั้นตาย กินยุกยาแก้โรคไข้ไข้เจ็บ ก, ก็คือว่ากันไว้ให้มันตา่างนุ่งห่มผ้าตอนท่อนสบายก็กันไม่ให้มันตา่างมีบ้านเรือนกุฏิเยหานเต็มที่อยู่อาศัยก็กันไม่ให้มันตา่างแต่เมื่อถึงเวลามันจะแตกจะตายจริงๆเลยไม่ว่าโรคชนิดใดถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกอย่าง นั่งอยู่ดีๆตายก็มีนอนอยู่ดีๆตายก็เยอะเดินไปไหนมาไหนเกิดทยที่บัดตายได้ทุกเวลายิ่งสมัยยวดยานพาหนะหรือสมัยที่มนุษย์เหี้ยมโหดมีศัตราอาวุธระหัสระหารกัน เรื่องเมภัยอันตรายคือว่าตายได้ทุกลมหายใจยดังนั้นยาประมาทจงพากันเร่งรีบรีบเร่งคำว่าเร่งก็คือว่าตั้งใจไม่ให้ตกอยู่ในความประมาททุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกทำไม่ได้ใครประมาทผู้นั้นชื่อว่าตาย ตาปุชาภาวนา 15, ่นห้า7นแปดินสิบสองรอยี่สิบเจ็ดไม่รักษาไม่ภาวนาไว้คือว่าประมาทกรัมาเริ่มเล่เธอเลยอลอยให้ชีวิตความเป็นอยู่มันหมดไปหมดไปตามวันคืนเดือนปี ผลที่สุดชีวิตจะจบลงไปด้วยมรณะไห้คือความตาย ม, มันตายแล้วเอาทำอะไรไม่ได้เมื่อคนมันกินไม่ได้ทำตาล่ากินก็ไม่ได้ย่างไว้เหมือนเนื้อสัตว์กินก็ไม่ได้มันลังเกียจมือแหละให้เราคิดอัานธิจรณนาภาวนาดูให้ดี เรียกว่าทำเรียกว่าทึกษาไม่ใช่จำจำคำสั่งคำสอนคำบอกคำเล่าแต่เวลาเราเอามาประพฤติปฏิบัติเอามาละากิเลสความโกรธก็ไม่ออกมละากิเลสความโลภ ก, ก็ไม่ออกจากใจจากกายเอามาละความหลงในใจก็ไม่ได้เลือกอันนี้คือว่า ไม่ใช่ธรรมะปฏิบัติมันเป็นความจดจําไว้เท่านั้นธรรมะปฏิบัติคือเอามาปฏิบัติเอามาแก้ไขที่นิพพิจารณาในจิตใจของตัวเองให้ได้ไม่ได้ก็ยอมมันเลยนั่งก็ภาวนาพิจรารณาอยู่ ในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงในหลักทุกขังคือความทุกข์ในหลักอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนของเราทำไมจงมายึดมาเถอว่าตัวข้าของข้าตัวกูของกูตัวเราของเราเป็นของเราที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือหามันบอกได้ว่าฟังคนมันก็ไม่แก่จรง โยในวัยไหนที่ตัวเองชอบก็ให้อยู่ในวัยนั้นตลอดไปอันนี้มันเต็นไปไม่ไดังบอกลั่งส่างสอนบอกได้แต่ว่าแกฉลา ม, มันบอกไม่ฟังบอกไม่ให้เก็บใครได้ป่วยไม่ให้มีพยาติโลคาบอกได้แต่มันไม่ฟัง มันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเต็มโลกอยู่อย่างนี้แหละทีนี้ถึง เ, เวลาบทมันจะแตกจะตายจะมีโลกไม่มีโลกอะไรก็ตามแต่ว่าถ้ามันมีเกิดแล้วมันต้องมีตายเป็นคู่กันอย่างนี้เวลามันจะแตกจะตายเราบอกได้หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกได้หรือว่าไม่ให้ตายนะให้โยนะ มันโยได้ที่ไห น, นเขาตายกันทางโลกกำหนดพิจารณาดูให้ดีเมื่อมันตายแล้วอะไรแสดงออกมาตายแล้วมันก็เน่ายังไม่ตายมันก็เน่าก็เหม็นแต่เมื่อเราไม่พิจารณาก็มายึดมาถือเตดบบังไว้เต็บไว้บังไว้หอว่หอไว้หุ้มไว้ ไม่จนิดที่กะลาะนาให้มันแจ้งใจจุดมันก็มาลุ่มหลงมัวเมาเข้าใจคิดคิดหลงไัดัง น, นั้นท่านจะให้ดเลิกโยเสมอเมื่อเห็นสักอื่นตายก็ให้น้อมเข้ามาให้ออกมาเตือนใจของเรา ว่าเมื่อตัวเราตายมันก็เหมือนนะเหมือนสัตว์ตายเหมือนคนโน่นตายคนนี่ตายไม่ว่าคาริฮาตและบันสะจิตเกิดมาแล้วต้องตายคนอื่นตายก็เอามาเตือนใจเตือนจิตนี้ไม่ให้นิ่งนอนัจเมื่อถึงเวลาเราตายเราจะทำยางไร ถ้าเราไม่ทาไม่ปฏิบัติในขณะที่ยังอยู่ดีสบายอยู่ตายแล้วมันจะทํนหรือตายแล้วจะเอาอะไรไปได้ไม่เห็นหรือไม่ว่าใครในโลกนี้ตายแล้วมันก็ทิ้งร่างกายไว้ที่นั่นเอาไปเผาถือถีอถ่กระดูกเลือดตนเองได้ที่ไหนตายก็ทิ้งไว้ที่นั่นเอง มนุษย์ที่เขายังไม่ตายก็เอาไปฝัาไปเผาตามหน้าที่เราจะมาอวดดีปวดดีว่าเราดีดีที่ไหนตายแล้วมันเน่าตายแล้วมันป่อยตายแล้วมันเหลือแต่กระดูกล่อเผาไฟก็ไหม้หมดฝังดินก็จมเป็นดินตายในน้ำก็จมลงไปในน้ำ มันดอยังไงกำหนดพิ่เจรณาภาวนาให้มันเห็นแจ้งในจิตอย่ามาเม่ทำชมชนง่วงเหาเหานอนพุ่งสร้างลำคาหัวลอกล่องให้ไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดสติสมาธิปัญญาตัวแกไม่รู้สึกตัวตัวเจ็คไข้ได้ปยาิไม่รู้สึกตัว โรคภัะขันมันรอวันแตกวันทำลายอยู่ไม่รู้สึกตัวทีนี้เมื่อถึงขาวมันแตกมันทำลายเอาละวุ่นวายร้องให้น้ำตาไหลร้ลองหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาอะไรตอนน่อมีอะไรวุ่นวายไปหมดภาวนาพุทโออยู่ในใจไม่ได้ วิ่งไปโรงพยาบาลเข้าใจว่าโรงพยาบาลมันจะแก้ได้ทุกไลา์บางคนไปถึงโรงพยาบาลยังไม่ถึงมันก็ตายเสียตัวกินยกกินยาเข้าใจว่ามันจะหายแทนที่จะได้กลับมาวัดมาบ้านตัวเองลวดไปป่าท้าไปเลยนั่นเพราะอะไรเพราะเพราะร่างกายสังขารรูปภัณฑ์อันนี้ มันมีทลาพยาธิมลน่ะครอบงันงมอยู่ตลอดกาลเราอยเข้าใจว่ามันจะแก้ได้แล้วะไปเข้าใจว่ามันหายกินยกกินยาหรือไม่กินก็ํามมันหายไปหายแล้วถามว่าสบายดีไม่สบายดีถ้ามันสบายดีคนนั้นมันไม่ตายหรือต่อไป มันก็าตายได้คำว่าสบายมันเพียงแต่เป็นภาษาสมมติเท่านั้นมันลังงับลงไปชั่วระยะหนึ่งเหมือนกินยาลั ง, งับความเจ็บปวดมันกลั ง, งับไปนิดนหน่อยๆเท่านั้นอีกในนานมันก็เจ็บปวดขึ้นมาอีกผลที่สุด มันอาตายว่าเรายังจะมานิ่งนอนใจว่าเราสบายว่าเรายังเด็กยังนมไม่เป็นไหลมีอะไรเ็นเครื่องอาห้างได้จริงไหมไม่มีใครจะมากั้นกางดนะโดยที่ไหนต้องมีตายที่นั่นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาติใดภาษาใดก็าตาม เป็นดกก็ตายได้เป็นนมก็ตายได้เป็นยิ้มเป็นชายตายได้ทารุักและนักบวชตายได้เหมือนกันไม่มีใครวิเศษกว่ากันถึงยัางนี้กั้นไม่ได้เยียวาพยาบาลบรรเทาไปเท่านั้นเองแก้ลำคานไปมันเอาจริงๆแล้วไม่เหลือข้่าพยามหากระสับกระส่าย ถ้าพิกุ ส, สงสามมันเนรผ้าขาวนางสีลอสีก็ตายเราทุกคนที่นั่งฟังคำอย่างนี้ก็ต้องตายภายในร้อยีหรือเ ล, ยลอย1 0อยีไปก็ไม่พ้นความตายเราจะยังมาสงสัยอยู่หรือมัวหลับมัวนอนไม่ภาวนาละกี่เลยนอนไปถึงไหนนอนไม่พ่องแม่เจ้าเดือน10ดเดือนจึงคลอดออกมา ยังมาหลงหลับหลงนอนต่อไปไม่ภาวนาพุโทโธในใจไม่ได้ทื่รึ่งในใจยังไม่มีในใจนี่มันยังมีแต่กิเลสโลเละตาเห็นโลกก็เลเลในลูกหูฟังเสียงก็โลเลในเสียงจะมกดมกินลิ่นลิ้มแล้ว ก, ก็โลเลกันั้งนั้น ยังไม่มีอะไรข้ามพ้นจนอย่างอย่างไปเลยทําอะไรก็ตกโยในอํานาจของกิเลสความโกรธโทษทำอะไรก็ตกโยในกิเลส ล, ลาคะตัณหาเจดอ่านอะไรก็ตกโยในอวิธาตัณหาจ็บไม่โลเจ็บไม่โลเจ็บหลง จิตหลงจุดเมามันก็ไม่รู้อะไรเหมือนคนหูหนวกหูตึงฟังเสียงไม่ได้ยินอย่างนั้นเสียงข้าร้องก็ไม่ได้ยินเหมือนคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดเกิดมาดวงาพาทิตยรตะจันมีอยู่ในโลกก็ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะตาบอด คนไม่ภาวนาไม่ละเกลียชื่อว่าตาใจมันบมดพูดอโโทรทโมสังโคในใจนึกไม่ได้เจริญไม่ได้แต่คิดใจที่ดุดาว่าลลยฝ่ายสีให้แกบุคคลผู้อื่นเข้าใจพูดได้ดาได้ฆ่าตัดตัดชีวิตอะไรทุกอย่างทำได้ นี่แหละคือว่าคนใจบอดคนใจมืดคนใจดําใจไม่ภาวนาใจไม่ละความโกรธใจไม่ละความโลภโลภะปัญหาโลภไปถึงไหนโลภไปถึงวันตายตายแล้วก็เกิดมาใหม่โลภไปอีกนี่แหละมันจะมาโลเลยอยู่ธรรมะ ยกขึ้นเติมขึ้นยกขึ้นภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในจุดในใจในกายวาจาจิตของเราต้องเห็นตู้พระธรรมกราบไหว้ตู้พระธรรมเอาตู้พระธรรมไหว้แล้วเอาตู้พระธรรมสวดมนต์เอาตู้พระธระมรมภาวนา รักษาตู้พระคำคำสอนให้ยืนยาวข่าวไกลด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ทอท้อยสร้างศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในดวงใจในการประพฤติปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ไม่ให้จิตใจมันพ้อแท่อ่อนแอให้จิตใจมันรู้ฉลาดสา ม, มารถคนเราเมื่อมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสจิตใจมันคงหนักแน่นในธรรมปฏิบัตินั้นทําดีได้ตลอดเวลาพูดดีได้ตลอดเวลาคิดดีได้คิดภาวนาได้ตลอดเวลา ตัวศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนของสัพพุทธเจา้าศรัทธาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเมื่อศรัทธาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเต็มดวงจิตดวงใจของตนอยู่แล้วนั่นแหละสาวกโอสาวกสัพพุทธเจา้า มือโยติสายวาจาจิตของตัวเองทุก ค, คนดังแสดงมาก็จอมทวนด้วยกาลเวลาเ อ, าเอาวังก็มีด้วยกาลชนีกานั่งภาวนา น, น่าจใจ <c oughs> ให้นึกถึง เทพระพุทธเจ้าทรงเตือนไรยว่ามะรั ง, งเงพาวิสติมารลาะมารลาหมายถึงความตายของเราทุกคนความตายนี้หนีไม่คนจะลบไปไปไหนไม่มีทางหลบ แต่จิตใจมนุษย์คนเราก็คิดว่าเราคงไม่ตายง่ายๆและทุกคนมันได้อย่างความคิดไหมตอบว่าไม่ได้บางคนอายุสั้นพลันตายบางคนอายุปานกลางตาย บางคนถึงวัยแก่วัยชราหรือไม่พ้นตายเหมือนกันเมลัมลานังเนภาวิสติเราต้องตายมาละลานะมละลานังหมายถึงความตายเมื่อเราตัวเรานี่แหละต้องตายแน่แน่ ก่อนร้อยจีนี้ไม่เหลือมะระนังเนพาววตสติเราต้องตายานความตายนี้สุขชนคนเราก็ไม่ค่อยนึกถึงเพราะว่าตัวมันตายอยู่ตลอดนี่ล่ละขอให้ขปเจ้ายืนยาวข้าวไกลอย่างนั้นอย่างนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีสมบัติพัฒ น, น, น, มมนาอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ดังความนุ่งมากปรารนาอย่างนั้นอย่างนี้มีขว้างไม่ค่อยนึกถึงความตายมารังเวพาวิติติความตายนี้เป็นภัยอันใหญ่หลวงตัดท้องอะไรต่อ น, นีอะไร ความมุ่งมั่ปราถนาของคนเราจะมีมากน้อยอย่างไรก็ตามเมื่ออลัยภัยคือความตายมาถึงเข้าจัดไปหมดทำลายไปหมดยกมวไหว้ขอกับความตายก็ไม่ได้บางคนตั้งใจไหว้ญาติโยมบางคนตั้งใจไหว้ขอให้ข้าพเจ้า ได้ทำบุงถอดผ่าป่ากรจนค่อยตายบางคนก็ขอไว้ว่าขอให้ได้ทอดถ้าถิงนเช่อกรจนค่อยตายบางคนก็อยากเพื่อตายเลยโลกเต่าล้างเลนสามมือทะาของข้าพเจ้ายังไม่ปลอดภัยดี ขอให้ัวกเหล่านี้ทนทุกข์ทนล้อนเสี่ยงนข้าพเจ้าจึงค่อยตายแต่ว่างเอาะภัยคือความตายนั้นมันไม่ได้ยกเว้นเพราะพระพุทธเจ้าทรงสัตไว้แล้วว่าความตายนี้มันโย่ใกล้ที่สุดใกล้ที่กองไหนเทอลมหายใจเข้าไปลองหายใจออกมา มันอยูใกล้แค่ตายจงก์ปลายจงก์กับปากมันใกลกันเท่าไรดูให้ดีนี่แหละมารณะกรรมฐานเราจะไปคิดนะว่ากลยอายุเท่านั้นเท่ น, นี้จึงจะตายไม่ได้มันใกล้ที่สุดปากกับปลายจงกที่ลงหายใจเข้าออกมันนี่เดียวเท่านั้นแหละ ถ้าลมหายใจนี้เกิดปิดขักขึ้นมาจะมีโรคหรือไม่มีโรคอะไรกาตา็ตามตายตายได้ทั้งนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงเตือนไว้ว่าให้สาวกทั้งหลายจง น, นึกถึงความตายที่จะมาถึงตัวเองว่าลมหายใจเข้าไปเราก็ตายได้ ลมหายใจออกมาเราก็ตายละชีวิตของเรานั้นอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกโคได้เมดได้เจริญได้ซึ่งมรณ ะ, ะกรรมฐานี้มีผลอันอานิสงอันยิ่งใจมะโหลานไผสารราะว่าเมื่อบุคคลผู้นั้นทราบเชิงในความตาย และตัวเองจะต้องตายจริงๆด้วยไม่เวลาใดก็เวลานึ่งทุกลมหายใจเข้าออกจะได้เตื่นขึ้นยกขึ้นจะไมไ่ปล่อยให้ที่เศ้าเหงานอนเข้ามาทับถงจิตเพราะยังไงเสียเมื่อความตายมาถึงเขา้ามันนอนไม่ได้หลับไม่ได้ห ล, ลับไม่ลง ถ้าคนใดเคยได้ไปเยียวยาพยาบาลคนใกล้จะตายมมวิกามานดาปูยาตายาย <c oughs> ถ้าไปนั่งเฝ้าดูเหตุการณ์ด้วยมีสติสัมปชัญญะจะเห็นว่าภัยอันตรายคือความตายนี้มันใหญ่ยิ่ง รับก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้น้ำ ก, ก็ดื่มไม่ได้งาเข้าลํมหายใจก็สั้นเข้าสั้นเข้าในใจมันยาวเหมือนธรรมดาเวลามันใกล้จะตายมันสั้นเข้าสั้นเข้าคือมันหมดไปหมดไปความตายนี่จึงว่าเป็นภัยอันใหญ่หลวงที่สุด อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำของเราก็เฝ้าดูแลย่อมโลกว่ามันหิวโหยโดยแรงข้างในมันแห้งผักหมดยังไงก็ไม่รู้อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำแต่มันดื่มไม่ได้คนที่ยังเบื่ออยู่ยังไม่ตายก็เอาสัมฤทธิ์ายจมน้ ใส่น้ำแล้วก็มาบีใส่ปากคนใกล้จะตายคนใกล้จะตายมันก็ไม่อยากตายเหมือนกันขอให้ได้กินน้นเถอะแต่ว่าการโทษขอกินน้งไม่มีละพอเขาเอาน้ำที่ในสังรณบีบไปถึงปากลิ่นหรอปากนั่งจะกะเยลรับเอาน้ำ น, นั้นนั่นแหละ ถ้าไฟมันไหม้มันเผาขนาดไหนมาลันางเนภาวิสตินึกให้ได้เตือนใจของเราให้รู้สึกอย่าได้ประมาทแล้วคพองหลับวามนอนนมันหิหวห้อยลอยแรงวุ่นวายมาหลายบางคนก็ร่ว่อนตีจึงตายได้ ก็ไม่มีเวลาจะได้หลับมือกายนัากเหมือนพวกเราเลยชื่อเวลาสูดลมหายใจเข้าไปนี้ก็ได้หลับเสียทีหนึงน้อยที่สุดเวลาลมออกมาคงจะโหมไปก็หลับเสียทีหนึงน้อยที่สุดนี่แหละนลนังเนภวิสติให้เตือนใจของตัวเอง รีบเร่งทังสมถกรรมฐานให้เต็มที่ยังเย็บพัฒนากรรมฐานให้แจ้จึงจะคล่องจาดชลาความแก่พยาดความเจ็บไข้มรณะความตายดังแสดงนาก็สงกรดูดวยาละเวลาเอวังก็มี้วยประกาละันดี สัพพิติโอวิวัทชนตุสัพพโลกโอมิณฑสตุมาเตขวัตะวันตรายโยโสคิเตคายุโกภะละอะภิวาทานาสิฤกสนิจังวัฏขาปัยิโนยัตตารุทั ง, งวะทันติอายุวรนโนโสกังสาลังถ้าแกชลาเกินไปหรือมีเหตุการณ์ โอกาสระบาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นความตายนั้นมันเร็วที่สุดแับเดียวเท่านั้นแหละตายไปแล้วเพราะนั้นเราจะมานิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้วันนี้เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจยกจิตใจของตอนให้สูงขึ้น การนั่งสมาธิภาวนาปฏบิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาน่้นไม่ใช่เป็นของอยากมันง่ายถ้าเราตั้งใจให้เป็นที่แต่คนเรานี่แหละถ้าว่าใจไม่ตั้งไม่ตั้งให้เป็นที่แล้วอะไรอะไรก็อ่อนแอข้อแท้ไปหมดเพราะมันผัดวันประกันพุ่งอยู่ คือไม่ตั้งใจทำาลงไปในเวลาปัจจุบันนั้นการปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานั้นท่านถือว่าปัจจุบันน่รทำเต็มธรรมอันไม่งอนเงี้นคอนแขนถ้าผู้ใดตั้งใจทำอยู่เสมอจะรู้จะเข้าใจทีเดียวจะรู้ถึงเรื่องเรีย ม, มารยาสาไถยกิเลสในหัวใจ มันก็หกทก้ลอมอยู่ตลาดเวลาเราก็ยังไปเชื่อไปหลงเพราะนั้นเราไม่ต้องหลงต่อไปพุทธโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในใจของเราไม่ว่าเราจะนั่งแบบไหนก็พุทธโธในใจอยู่เดินแบบไหนก็พุทธโธในใจอยู่เดินไปไหนมาไหนก็พุทธโธอยู่ในใจ ยิงย่งไปรถไปลายยิ่งภาวนาให้มากเพราะว่าไปรถลานั้นคนทั้งหลายก็มักจะเห็นว่าสะดวกสบายแต่หารู้ไมมว่าภัยอันตรายในการไปในรถนั้นเราต้องภาวนาให้ได้สองเท่าเพราะว่ามันมีภัยอันตรายจริ ง, รงตัวเรายังไม่ประสบการแต่คนอื่นผู้อื่น ก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นจริงโดยเฉพาะเรียกว่าคนเราสมัยนี้คนหนุ่มคนขังแรงนั่นแหละเกิดภัยอันตรายเพราะว่ายุดยานพาหะมันมีมากไปไหนมาไหนขาดภาวนาขาดสติขาสมาธิขาดปัญญาขาดความเทนิธิุจรณาเดี๋ยวก็พาดพา เอารบไป่อนกันผสมงากันอะไรต่อมีอะไรนัดไม่ส้วงเราจะต้องตั้งใจภาวนาไว้ให้ดีคนอื่นผู้อื่นไม่สำคัญแต่ตัวเราทุกคนนี่แหละสำคัญมากผู้อื่นจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของแต่และบุคคลส่วนตัวเราทุกคนที่ได้ยินได้ฟังเราต้องเตือนขึ้นลุกขึ้น การทำอะไรที่เราทำมาอันใดไม่ดีก็ให้พาันละทำว่าละก็อย่าไปทำบาปให้ตั้งใจเจตนาให้เป็นบุญเหมือนวันเวลาเดี๋ยวนี้เราตั้งใจเป็นบุญมารวมตนบุญตนกุศลทำการทอดกะถินผ้าว่าลตามธรรมเนียมโบราณมา แต่ว่าการนั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ต้องให้เลือกการเลือกเวลาทกอิริยาบดพระองค์เตือนว่าให้ภาวนาให้ได้หรือว่าทกลมหายใจเข้าหายใจออกท่านก็เตือนว่าจองนึกความตายให้ได้ทกลมหายใจเอาความตายมาเตือนใจของเราให้รู้สึกสำนึกตัว คนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้นึกถึงความตายเมื่อเมื่อถึงแต่ความสนเมื่อถึงแต่ความกินพานอนสนุกเภหาใครความภาษากิเลสอันนี้ท่านว่าเป็นทางที่จะให้จิตใจของเราทุกคนเคยคาท้อถอยไม่กล้าหารในการปฏิบัติธรรม พุทธสาวกในขั้งพุทธกาโน้นท่านภาวนาแม้อยู่บ้านอยู่เรือนท่านเป็นข้าวพยามหาการท่านก็ภาวนาทำความเพียรละอิเลสจำเป็นพระสดาสกิทาคาอนาคาอารหันตาเหมือนพุทธเบดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านโยหอกาจาดาสมุนเทียนท่านก็ไม่ลุ่มหลง ทำบุญให้่านแล้วรักษาศีลห้าศีลแปดแล้วก็เจริญภาวนาจนบั้นสุดท้ายได้เป็นพระอระหันตาที่มากดับขันเข้าโซนาเดชาในกลางกระประกิกลงกระบินละพัดนั่นเองขั้นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมายถึงคนล่ำรวยมีสตุ้งสตา เหลือใช้เหลือซอยท่านก็ไม่สรมารอย่างอนาถาเป็นภิกะเศษฐีท่านคนนี้ก็ทำบนสุนทานนับเป็นมากมายทีเดียวแล้วก็ยังนั่งสมาธิภาวานาไม่ท้อถอยคนเราสมัยนี้ก็อยากเป็นคนใจน้อยนึกถึงพระพุทธเจ้า ว่าพระพุทธเจ้านั้นทำไมท่านจึงสา ม, มารถอนาน่ารการสร้างบาณีมาถืออสงไชเสนมาหากนั้นไม่ใช่เลี่ยงเล็กน้อยท่านยังมีความอดความทนมือความมันความขยันไม่ทอถทยไม่เลิกล้มความเพียรโิดมาชาติใดพบใดท่านก็บำเพ็นทานรักษาศีลภาวนาพุทโธในใจ จนชีวิตหามาทุกข้าพไปทุกข้าบมาผลทน่ีสดผลนบุญที่ท่านทำไม่ทอดถอยก็ปลากรดการให้เราท่านทั้งหลายรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดีวิเศษละกิเลปราคะโทสะโมหะพร้อมทางว่าสนาได้หมดสิ้นเป็นองคา์าศาสตราดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจา้าขึ้นในโลก ยากที่จะมีขึ้นมาได้แต่เราท่านทั้งหลายบัดนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ <c oughs> ก็ยังคบพุทธกาลนาโยอย่ามีความท้อก่อยต้องทากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กับกิเลสอย่าไปลหลงไหลตาม ก, กิเลสกิเลสความกดมันจะกดไปทางไหนเราไม่กดมันก็จบลงไป กิเลสความโลภในจิตในใจคือใจมีแต่ความอยากได้ถึงภายนอกไม่อยากได้ภายหม่เธอไม่อยากละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตัวออกไปหอหุ้มไว้มาเห็นสิบคิดว่าเป็นความสกสะดวกสบายอานความดี